เรื่องตอบปัญหาธรรมะความสงสัยโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอออำนวยพรสริสวัตรี่ปัฒนามองคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความพาสุขทุกประการเกิดบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ที่มีความสนใจไฟในธรรม ผู้วแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ปุณฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้คำนิยตหาทางสถานหนึ่งวิทยุไปจ่ายเสียงในวันนี้อาตมาภาพได้มีโอกาสมาพบกับท่านสาธุชนทางสุ่มเสียงที่สถานในวิทยุกระยายเสียงแห่งนี้ อีกครั้งหนึ่งวันนี้คิดว่าคงจะไม่ต้องอารัมพบทอะไรกันมากที่น้องทีเคยเปิดเครื่องวิทยุรับฟั ง, อ, งอยู่ก็คงแก่จาส้มจําเสียงได้ว่าใครเป็นผู้พูดเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเปิดโอกาสให้แก่พระสงฆ์องค์เจ้าเปิดโอกาสให้แก่พระธรรมสนับสนุน จนเจือแต่เผยแพร่พระพุทธศาสนาซึ่งถือได้ว่าเป็นบุญเป็นกุศลทั้งสองฝ่ายทั้งทางเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงด้วยทั้งผู้ดีสนับสนุนรายการผู้ดีเปิดเครื่องรับฟังอยู่ด้วยเพราะทั้งหลายได้นับถือพระพุทธศาสนาถือว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติประจําใจประจําชีวิต แนวทางแห่งการดำเนินชีวิตของเราได้ดำเนินมาตามร่องรอยคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาเป็นเบาหล่อล้อมจิตใจเบาหล่อล้อมสังคมชาวไทยเรามาตลอดจนผู้ใดเต็มปากว่าบันฑีพุทธศาสนาได้ประดิษฐานมั่นคงในพื้นแผ่นดินนี้แน่นแฟน์ยิ่งกว่าที่อื่นใดในโลก และก็เป็นสิ่งที่ประมาทไม่ได้บาปแม้จะอย่างนี้ก็ตามถ้าหากเรามีความเข้าใจน้อยต่อพระพุทธศาสนาเรามีความสนใจน้อยไม่สนใจประพฤติธปฏิบัติตามเมื่อนั้นความเสื่อมแห่งพระพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นความเดือดร้อนความหุ่นหวายสังคมความมลทัยชาติก็จะไปสู่ความที่ น, าน่าใจ ย, ยับ เหมือนประเทศต่างๆที่เคยถือพระพุทธศาสนากันมาบัา น, นี้ประเทศเหล่านั้นก็ได้หมดสิ้นสูญแสงของพระพุทธศาสนาลงพร้อมกับความเสื่อมความวุ่นวายความร้อร้อนของประเทศนั้นๆไม่ว่าจะเป็นอินเดียอันเป็นเมืองแม่บทแม่แบบของพระพุทธศาสนาหรือประเทศจีนที่เคยนับถือพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่มา หรือประเทศรอบด่านในภาคีสมาชิกของพุทธศาสนาเราได้เปลี่ยนแปลงจิตเปลี่ยนแปลงใจไปนับถือสิ่งเอื่อตะตะนาเอื่นพุทธศาสนาก็เสื่อมลองความเดือดร้อนวุ่นวายของประเทศเหล่านั้นก็เกิดขึ้นเป็นที่น่าอนุโมทนายืนดีที่ประเทศไทยเรายัางมีพุทธศาสนาได้มั่นคงมาจนถึงบับันี้ และเวลาต่อจากนี้ไปก็เป็นเวลาที่พวกเราทั้งหลายในยุคปัจจุบันทั้งนักปวดทั้งชาวบ้านจะได้มาช่วยกันรักษามรดกทางจิตใจอันล้ำค่านิ้ไว้เพื่อจะได้เป็นร่มเงาเป็นเกาะป้องกันภยัยแกจิตแกใจเป็นที่พึ่งพาอาศัยเป็นศูนย์รวมจิตใจลออล้อมจิตใจเบ่าล้อมสังคมของเราให้ยู่เด่นเป็นโกตลอดไปชั่วการนานด้วยอนานาจแห่ง พระธรรมนั้น จ, จึงจาเป็นที่เราจะต้องมาช่วยกันรักษาศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนนั้นไม่ใช่เพียงศึกษาเฉยๆเรียนเฉยๆแต่ความจริงคำว่าศึกษานั้นมันก็มีความหมายอยู่ในตัวว่าคือการปฏิบัติ ไม่ใช่คือการไปเรียนสวนร้องท่องบนเป็นนกแก้วนกค้นทองแล้วก็ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติอะไรกันเลยจบมาแปดร้อยประโยคจบมดทางปไต่ปีดอกนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับตัวท่านเองอวันนี้ขึ้นตน้นก็ว่ากันมาแต่ยาวยังไม่ได้บอกท่านผู้ฟังเลยว่าจะพูดในเรื่องอะไรวันนี้อาตม า, าขอตอบปัญหาสักวันหนึ่ง ทางรายการสถ า, านีวิทยุเพราะว่ามีปัญหามามากหลายหลายข้อก็ไม่ได้ไม่ได้ตอบครั้งแรกคิดว่าจะส่งต่อไปให้ท่านอาจารย์ญญมหานิธิเป็นผู้ช่วยตอบให้แต่ก็ยังไม่มีโอกาสพบกันต่างคนต่างทำงานแม้ต่างคนต่างทำงานเพื่อพระศาสนามอนกันเลยไม่ได้พบกันจดไม้ก็เลยค้างเอาไว้ค้างเอาไว้ค้างเอาไว้ แล้วก็มันมาหลายทิศหลายทางหลายระดับเพราะฉะนั้นอะไรมาก็คงจะต้องเลือกตอบบางฉบับที่เห็นว่ารีบด่วนแล้วก็จําเป็นบางฉบับนั่นเป็นคําถามที่เคยตอบมาแล้วหลายหแห่งแล้วก็มกกักจะเป็นคําถามที่ซ้ําๆซักๆอยู่ทั่วๆไปเช่นกระว่ามตายแล้วหาได้เกิดหรือไม่นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ อะไรพวกเนี้ยคําถามที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงตอบแหละเอาอยากระตับปัญหาแต่ฮ่านจะชวนปฏิบัติทําอย่างไรจึงจะรู้ว่าตายแล้วเกิดทําอย่างไรจึงจะรู้ว่าชาติหน้ามีนรกมีสวรรค์มีคาตอบนั้นไม่เป็นสิ่งที่ทําให้เข้าใจสิ่งที่จะเข้าใจได้ก็คือการปฏิบัติ อย่างตายแล้วจะเกิดใหม่หรือไม่ชาตินี้ชาติหน้ามีจริงหรือไม่สวรรค์นรกมีจริงหรือไม่คําตอบนั้นไม่สามารถทํำลายความสงสัยได้พระพุทธเจ้าตอบให้ก็ยังไม่หายสงสัยเพราะยังไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้จะต้องรู้ด้วยอาการรู้ประจักษ์แจ้งโดยตนเองเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ตอบปัญหาเหล่านี้ของพวกพราม์ของพวกนักโลกายะทั้งหลายที่เดามาทำ ท่านก็ชี้ไปที่การปฏิบัติชวนปฏิบัติทันทีพูดง่ายๆว่าจะ ต, ต่อไปอยังไรอย่างไรมันก็สงสัยในเมื่อมันยังไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นสงสัยอยู่ตลอดปีตลอดชาติมีวิธีเดียวก็คือปฏิบัติเพื่อให้เข้าไปถึงจุดนั้นยังเก่งก็ได้แต่คําตอบแบบเปรียบทียบอุปมาโอปามัยสมมติชาตินี้ชาติหน้าเหมือนมาวานเหมือนพรุ่งนี้ เมื่อวานนี้ก็มีพรุ่งนี้ก็มีทั้งๆที่เมื่อวานก็ไม่เห็นมันผ่านไปแล้วพรุ่งนี้ก็ยังไม่มาถึงไม่เห็นแต่แน่ใจว่าเมื่อวานมีเพอผ่านไปแล้วแน่ใจว่าพรุ่งนี้มีเพราะว่าวันนี้คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานถ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ก็พอจะมองเห็นเอามาเปรียบมาเทียบกัน แต่จะพูดชัดลงไปให้เข้าใจเลยนี่คิดว่าเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงเรียกปัญหานี้ว่าอาวียากตับปัญหาปัญหาที่พระองค์ไม่ทรงพยากรณ์แต่พระองค์จะชวนให้ปฏิบัติเช่นมีใครมาถามว่าชาติหน้ามีไหมชาติก่อนมีหรือไม่พระพุทธเจ้าท่านก็จะบอกว่าชาติก่อนก็วางไว้ก่อนเถิดชาติหน้าก็วางไว้ก่อนเถิดจงม่รู้จากปัจจุบัน อย่างนี้หรือบางคั้นท่านก็บอกว่าผู้ใดสามารถมีญาณระลึกชาติผลหลังได้ว่าชาติก่อนเราเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมีชื่ออย่างนั้นมีโคดมีนามตระกุลอย่างนั้นมีที่อยู่อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นมีกรรมอย่างนั้นจําได้ชัดเจนผู้นั้นควรมาพูดมาคุยมาถามกับเราในเรื่องชาติก่อนเราก็จะได้ดตอบจเด็สนทนากับท่านผู้นั้นอย่างพอออกพอใจ ผู้ใดมีอนาคตญานรู้จักอนาคตจะเป็นไปอย่างนั้นตายแล้วจะไปตรงนั้นสัตว์นั้นตายแล้วจะไปเกิดนาลกจะไปเกิดสาวันจะไปเป็นโน่นเป็นนี่ผู้ใดรู้ได้อย่างนี้จึงมาคุยกับเรามาถามกับเราในเรื่องของโลกหน้าอนาคตแต่เอาเถิดเรื่องชาติก่อนก็วางไว้เรื่องอนอนาคตชาติหน้าก็วางไว้ก่อนเราจะสแสดงตัวธรรม ที่เกิดขึ้นแห่งความทุกข์และความดับลงแห่งความทุกข์ในชาตินี้ในชีวิตนี้ปัญหามีอยู่เดี๋ยวนี้ให้ท่านฟังท่านจงฟังแล้วท่านก่อแสดงเรื่องปฏิจจสมุปนธรรมอวิชชาปัจจญาสังขาราสังขารปัญาวิญญาณนั่งไปอวิชชาปัญัยให้เกิดสังขารสังขารปัจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจญาให้เกิดนามลูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสรายตัณห์เป็นพัสสะเป็นตัณหาเป็นอุปทานเป็นภพ เป็นชาติชร า, าบรณะโสกับปริเทวะทุกทางปวงก็เกิดขึ้นโดยประการชนนี้แลและท่าั้งตีกลับมาถึงความดับลงแห่งทุกข์เมื่อเวทนามันไม่มีตันห้ามันก็ไม่มีตันห้ามมัมนมก็ดับเวทนาเกิดมาจากพัทธะเมื่อไม่มีภัทธะไม่มีเวทนาเมื่อไม่มีอุปทานยึดมัน่นในภัทธะเวทนาก็จดหม่นกันตรงนั้น พวทนาดับตันหากระดับดันห า, ด, ด, นหาดับอุปทานดับอุปทานดับพบความยึดมั่นเธอมั่นว่าเราว่าตัวเรามีจริงจริเป็นจริงๆก็หมดไปดับไปก็ชาติก็ดับคือความรู้สึกเกิดขึ้นในใจว่าเป็นเราเป็นเราเป็นเราเป็ น, ปนตัวเราผู้สุขผูทุกข์ผู้เกิดสวรรค์ผู้ตกนรกผู้ชนะผู้แพ้ผู้ขาดทุนผู้ได้กำไรมันหมดไม่มีเราในนั้นแม้มันจะแก่่างกายแม้มันจะตายทาง สร้างกายมันก็ไม่ตายไปด้วยความรู้สึกว่าเราตายเราแก่เรามีเราเป็นอย่างนี้มันก็ดับไปซึ่งความโทุกไม่มีเกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายในจิตดวงนั้นบอกเลยสดุดท่านบอกว่าอีทัศพยาตาเพราะสิ่งนี้เป็นประแจให้สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะฉนั้นยศกันทัตทีไม่ขอตอบปัญหาว่าตายแล้วเกิดหรือไม่ชาติหน้ามีหรือไม่อาโลกสวรรค์มีหรือไม่จะถามมานั่น ต้นไม้ประเภทนี้มีเยอะเลยมีเยอะก็ขอตอบรวมๆรวบๆอย่างนี้แหละว่ามันจะสงสัยเรือยไปไหมจะตอบแล้วถ้าอยากรูก้ชัดเจนก็มีวิธีปฏิบัติให้มีสมาธิละเอียดลึกซึ่งระดับอัปปนาลึกเข้าไประดับจจตุถชาตนุ่นจิตนุ่มนวลควรแก่การงานกรรมมรโยแล้วจึงโน้มน้าวจิตไปและเลิกชาติหลังเลยจะมองไปข้างหน้าก็ยอมรู้ยอมเห็น ถ้าเห็นว่ามันยากนะก็รอให้ตายเสก่อนตายเองจะรู้เองว่ามีอีรีบอสสัตนา <c oughs> นาโกสวรรค์ต้นนี่ยังไม่ตายมีนาลกคือความ ร, าร้อนใจทุกข์ใจในขณะนี้เป็นนี่เป็นสิ่งความเดือดร้อนวุ่นวายใจเพราะการกระทําการผัวการคิดของตนเองของบุคคลรอบด้านที่เกี่ยวข้อง น, นั้นนาลกมลอยมาครอบหัวกระบาดเนี่ย <c oughs> จะจัดการยังไงกับมันตรงนี้แหละพยายามจัดการอุปทานอุปทานในปัจจุบันความยึดมั่นหรือมันแอทตสมินเนี่ยให้มันเจือมันจางมันบางมันเบาลงหมดไปสินไปมันจะไม่ได้เป็นทุกข์เอามันตรงนี้อมันจะแก้ปัญหาได้ก่อนชาติหน้าไม่มาถึงชาติก่อนก็ผ่านไปแล้วนี่จะนั่นก็มีวิธีนึงก็คือผูคอตายดูเท่านั้นแหละถึงจะรู้เอาเพราะว่าผ่านไปห่านไปขอตอบจดหมาย หื่งของคุณแอโอโซนยังหนุ่มจังเลยสำนวนเขียนเป็นภาษาชื่อเป็นภาษาฝรั่งมัง่งค่าไม่ขออนุโมทนานะไม่ขอชื่นชมยินดีด้วยเราเป็นคนไทยน่าจะมีชื่อไทยๆอ๋อนี่ลงท้ายคูณบุญหลายขออนุโมทนาสาธุยินดีชื่นชมเย็นดีด้วยที่ใช้ชื่อภาษาบ้านเราคนเป็นคนอีสานบ้านห้องแล้วเนาะ นามสกุลบุญหลายถ้าเป็นพระการคงจะเป็นบุญมากมากกับหลายมันคือกัน <c oughs> คูณนี่ก็แปลว่าดีงามขึ้นไปนเรื่อยๆขำหลายคูณหลายเทั้งคุณเทั้งบุญหลายโอ้อนุมโมทนานําเด้อคูณบุญหลายลายมือก็ยังหนม่มสำนวนก็ยังหนม่มไม่บอกบ้านตำบลอำเภอมีคําถามมาว่าธรรมมาที่ปไตยคืออะไรสาธุอนุมโมทนาในคําถาม อะไรคือธรรมมาที่ปไตยธรรมข้อไหนที่ชี้ชัดให้เห็นว่าเป็นประชาธิปไตยที่สุดสาธุขออนุโมทนาในคําถามนี้คงจะเป็นผู้ที่เคยบวชเคยเรียนอยู่ใกล้วัดใกล้วากันละจึงรู้จักสับแสงทางศาสนาธรรมมาที่ปไตยคืออะไรอะไรคือธรรมมาที่ปไตยเป็นคําถามแบบ ย้อนเยงแบบตีกับอะไรคือธมาทิปไต่ธรรมาทิปไตยคืออะไรก็เขาอธิบายให้ทราบกันว่าคำว่าอะธิปไตเป็นภาษาบาลีเรียกว่าความเป็นใหญ่สิ่งที่เราเพ่งมองถือเป็นจุดไม้ปลายทางเป็นบรรทัดฐานเป็นเครื่องปรรบในการกระทำการพูดการคิดคอยเข้าใจนะ จะได้เขาจะว่าอาธิปตไตยแปลว่าการปกครองขอให้เขาจะว่าเป้นความเป็นใจอย่งเวลาการให้พรในทางภาษาบาลีพรสิ่งที่ประเสริฐมักจะให้พรกันนั้นมีคำหนึ่งว่าอาธิปไตยอายุวันนะสุขภ า, าระปฏิพานอหลังจากนั้นก็ว่าอาธิปไตยมีอายุมั่นคงยืนยาวมีวันนะ สวยสดงดงามมีกำลังกายกําลังใจที่เข้มแข็งบึกบึนอดทนมีความสุขทั้งกายทั้งใ จ, งใจหลังจากนํามีปฏิพานมีความเสียบและมีความฉลาดมีความสามารถสุดท้ายอธิปไตยมีความเป็นใหญ่เป็นใหญ่ไม่เป็นทาสเป็นไทยในตนเองเพราะนักธรรมอธิปไตยนี่ เป็นคำกล่าวของภาษาบาลีพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เกี่ยวกับการปรารบในการพูดการคิดการทำที่จะเป็นแรงจูงใจให้ไปสู่ความดีความงามความสำเร็จไปสู่ความบริสุทธิพ์ุดผพ่องแห่งชีวิตความถูกต้องดีงามอย่างนี้ ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่เป็นระบบ <c oughs> ปกครองบา้านปกครองเมืองแต่มันเป็นเป็นระบ บ, บปกครองตนเองบริหารตนเองไม่ใช่อาไปบริารบหารบ้านบริหารเมืองแต่มันก็จะมาบริารบหารบ้านบริหารเมืองได้ตอนหลังฟังให้ดีนะคนบุญหลายอาธิตยตระายความเป็นใหญ่สิ่งที่ถือเอาเป็นหลักใหญ่ ในการปกครองตนเองในการบริหารตนเองคือท่านสรลบสรลบแต่ละคำของความเป็นให่ท่านจะบอกว่าสุดทางอัตตานังปริหารันตุเขาย่อมบริหารตนไปสู่ความบริสุทธิ์เนี่ยเป็นการปกครองตนในหลักธรรมในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตัดเรื่องอธิปไตยสามแก่ที่สุดต่างหลายมีหลักฐานที่ อ่าที่ปไายสูตรแล้วก็มียอยู่ ท, ที่ทั้งคีติสูตรที่ค่นนการปฏิกวักพระดัยบิดอกเล่มที่สิบเอ็ดข้อที่สองรอยี่สบแปดหน้าที่สองร้อยสามสิบเอ็ดพระสาลีบุตรเอามาร้อยลัดมาพูดให้ที่สุตทั้งหลายช่วยกันจำไว้ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นเกี่ยวกับอธิปไตยสาม ครั้งแรกพระพุทธเจ้าก็พูดเองให้พระสงฆ์ทั้งหลายฟังตรัดเองอาทิตยปะัยสูตรติการนิบาตอังคุตรานิกายเปิดพระไตริฎกเล่มที่ยี่สิบข้อที่สี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าหน้าที่หนึ่งร้อยแปดสิบหกขออภัยเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาไทยก็จำข้อไว้อดีเล่ยี่สิบข้อเจ็ดร้อยข้อสี่ร้อยเจ็ดสบเก้าหน้าไม่ตรงกับภาษาบาลี อาทิตย์ปไตยสามความเป็นใหญ่สิ่งที่ปารบเป็นสิ่งที่ปกเร้าจูงใจแก่ตนเองให้เป็นไปเพื่อการพูดการคิดการทําการคิดการพูดการทําที่ดีที่งามที่ถูกที่ถต้องมีอยู่สามอันอัตตาที่ปไตยความมีตนเป็นใหญ่หรืตอตนเป็นใหญ่กระทาการด้วยการปารบตนเป็นประธานเอาตอนนี้แหละเป็นประมาณ สองโลกาที่ปไตยความมีโลกเป็นใหญ่ถือโลกเป็นใหญ่กระทำด้วยการปารบนิยมของโลกเป็นประมาณสามธรร ม, มาที่ปไตยความมีธรรมเป็นใหญ่ถือธรรมเป็นใหญ่กระทาด้วยการปารบความถูกต้องเป็นจริงสมควรตามธรรมเป็นประมาณเนี่ยคุณบุญหลายคุณคูณบุญหลายของการคุณเคยกับคำนี้มันเป็นหลักที่เรียนอยู่ในหลักนักธรรม ันไหนอาตมาไม่สราบเพราะไม่เคยได้นักธรรมชั้นไหนเห็นเน่น้อยเขาท่องกันอยู่ไม่ใช่นักธรรมตีก็ทำโทรนี่นหะหรือทำเองเป็นว่าสามอันนี้ ค, นคุณคูณคุณคูณบุญหลายได้ถามเรื่องธรรมมาที่ปไตยคืออะไรขอให้เข้าใจว่าทีปไตยดังกล่าวแล้วคือการถือเอาประมาณการป่ารบ สิ่งนั้น น, นเป็นแรงจูงใจเร้าใจให้ประพฤติปฏิบัติผู้มีอัตตาธิปไตยพึงใช้สติให้มากเอาตอนเป็นใหญ่ผู้ถือโลกมันใหญ่พึงมีปัญญาคลองตนรู้พินิษผู้เป็นธรรมมาธิปไตยพึงประพฤติให้ถูกตามหลักธรรมผู้เป็นหัวหน้าหมูงเป็นนักปกครองพึงถือธรรมมาธิปไตยทีนี้ก็ขออธิบายหลัก เรื่องเรื่องเรื่องอธิปไตยที่พระพุทธเจ้าตัดให้พิกดุณีปารภตนบั่บงปรารภธรรมบั่งปรารภความถูกต้องปารภโลกปารภคนอื่นขอให้เข้าใจนะว่าคําว่าปารภตนเป็นใหญ่นั้นไม่ได้หมายาว่าตนอยากจะทําอะไรก็ทําตามใจของตนคําว่าถือโลกเป็นใหญ่นั้นไม่ได้หมายาว่าโลกเขาเอาอยัางไงก็ทําอยา่างเขานห้หมด อย่างเช่นว่านหลอกเคยสังคมโดยเขาขายเสียงขายสิทธิ์กันทั้งนั้นแหละเราจะมามัวสื่อสัตว์อย่างไรเราก็ต้องขายด้วยกันมันจึงจะได้เงินมันจึงจะถูกต้องโลกาธี่ปตยหามีใหญ่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นแค่เข้าใจผิดกันเลยนะและนี้อย่ามองกันแคบๆเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านพูดอย่างนี้ฟังดยก่อนที่สุดทั้งหลายอาทิตย์ตยสามีโยอัตตาที่ปตยถือตนเป็นใหญ่ปารพตนเป็นใหญ่โลกาที่ปตยถือโลกเป็นใหญ่ธรรมะที่ปไตยถือธรรมเป็นใหญ่หลังจากนั้นท่านก็แจกแกงอธิบาย อาตาที่ปตยเป็นฉนยัยก็อภัยอัตามาพูดสำนว น, นง่ายๆอย่างนี้นหละนะไม่ได้ว่าตามตัวบทของพระไตรปิฎกที่แท้ตามสักสักเจออันนี้เอาลายอันนี้โครงสร้างอันนี้แนวสุนทรภัย น, นี้ภิกษุผูดถือตนเป็นใหญ่เป็นฉนยัยภิกษุในธรรมวินัยนี้เธออยู่ในป่า ก, ก็ดีโคนไม้ ก, ก็ดีเรือนว่างก็ดีอยู่คนเดียวก็ดีเธอย่อมมีความคิดลำพึงในใจปารบในตนบ่ว เรานี่ออกบวชแล้วจากเรือนด้วยศรัทธาเพราะเหตุแห่งเรามีชาติชรา ม, มรณะโศกับปริเทวะเรามีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ความเศร้าห ม, มองหลอกด่านอยู่เราจึงออกบวชจากเรือนเราไม่ได้บวชเพื่อว่างทีบอเพื่อบิณฑบาตเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่ อ, อยารักษาโรคไม่ใช่เราขาดแขนเครื่องหนุ่งห่มไม่ใช่เราขาดแขนอาหารการกินแสบๆนัวๆอยากจะมาบวชกินบวชนอนอยู่เฉยๆ ไม่ใช่วันเราขาดที่อยู่อาศัยอันปานนี่จะมาบวชนอนวัดวาอารามที่เขาสร้างให้ดีดีไม่ใช่ว่าเราขาดแขนยารักษาโรคแต่ที่เราบวชนี้เพราะเราโกความเกิดความแก่ความเจ็บความตายครอบงำบีบคั้นความทุกข์ทั้งปวงในจิตในใจเราจึงออกบวชเพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกข์เมื่อเธอรำลึกถึงความทุกข์ของตนอย่างนี้เธอก็ตั้งหน้าต่งตางๆ ทำความเพียรให้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุให้เห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งให้เข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงเธอปาราบถึงความทุกข์ในชีวิตเช่นนี้เธอก็เว้นธรรมอันเป็นความชั่วจเจริญธรรมอันเป็นความดีเห็นไหมละ่ปะปชะฮัตติอกุศลา หลังแกนั้นเบอกว่ากุสลังพาเวติละเสียซึ่งทําอันเป็นกุศลเจริญท่าละเสียซึ่งทําอันเป็นอกุศลคือความชั่วแล้วก็เจริญกระทาให้มากซึ่งทำอันเป็นกุศลคือคุณงามความดีความฉลาดแล้อย่างนัง้นท่านก็พูดต่อไปว่าอันอาสาวัชาชาปัชหายติอนอาาวัชชาเาเวติ เธอก็ละทำอันเป็นโทษเสียเจริญทำอันไม่มีโทษสุดทางอัตตานังปริหารันตุอะยังอัตตาธิปไตยยังกริวุตจติขออภัยพูดเป็นภาษาบาลีหน่อยแปลว่าเธอย่อมละทำอันที่เป็นโทษเจริญทำอันไม่เป็นโทษละทำที่เป็นอกุศลเจริญทำที่เป็นอกุศลนำตนไปสู่ความบริสุทธ นี่แหละเรากะว่าอัตตาที่ปไตยถือตนเป็นใหญ่ไม่ได้บอกว่าตัวอยากจะทําอะไรก็ทําตามใจของเราโว้ยคือไทยแท้ตามใจเป็นประชาที่ปไตยคือไทยแท้ไม่ใช่อย่างนั้นมันดีทั้งนั้นนะอัตตาที่ปไตยโลกาที่ปไตยธรรมมาที่ปไตยสมอธิปไตยนี้เป็นหลักเกณฑ์เครื่องปารับเป็นจุดเร้าจุดเน้นปกเกตปกใจตนเองให้กระทําสิ่งที่ถูกต้องดีงามให้ละให้เว้นเสียจากความชั่ว ต่อมาข้อที่สองป่ารบโลกเป็นใหญ่เป็นฉนไหนที่สุดในธรรมวิ น, นัยนี้อยู่ในป่า ก, ก็ดีโคนไม้ ก, ก็ดีเรือนว่างก็ดีคนเดียวก็ดีเธอปารบว่าในโลกขสั น, นิวาตอันกว้างใหญ่นี้มีสมณพามผู้มีฤทธิ์มีหูเป็นทิพย์มีตาเป็นทิพย์มีเจโตปรินญาญาณกำลังลูกสิ่งที่เราคิดกำลังเห็นสิ่งที่เราทา กำลังได้ยินสิ่งที่เราพูดแม้ท่านเหล่านั้นจะอยู่ไกลๆท่านก็นรู้ท่านก็นเห็นลเลื้งเช่นั้นในโลกอสร น, นิบาสกว่างใหญ่นี่มีเทวดาผู้มีที่พระอัมหนังมีหูทิพนิจทิพนิเจโตปริญญาณกรรนดรู้ใจเราอยู่ได้ยินเสียงเราพูดมองเห็นสิ่งที่เราก็ทําแม้ในที่ลับแม้ในที่ไกลแม้ในที่ไกลแต่เราไม่เห็นเทวดาเหล่านั้นเราไม่เห็นสมณะผามเหล่านั้น ถ้าจะไหนสีเราได้ออกบทแล้วจากเรือนเพราะชาติชรลาหมอลัะโซกับปริเทวะครอบงำเราอยู่ชีวิตเราอยู่เราออกมาเพื่อจะพ้นจากสิ่งเหล่านั้นเราไม่ได้ออกมาเพื่ออยู่ดีกินดีเพื่อจีวรบินทบาทเซนาสนะอันปานนี่เราไม่ได้ขาดแคลนสิ่งเหล่านี้แต่เรามีสิ่งเหล่านี้คือมีความทุกข์ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความพัฒแพความเศร้ามองรอบด้าน เราจึงออกมาบวชเพื่อจะออกจากโทษถ้าชาไหนสีเราอย่าได้คิดอากุศลวิตตคิดไปในเรื่องตามเรื่องพยาบาทเรื่องเบียดเบียนซึ่งผู้ใดซึ่งใครและใครเลยเราอย่าได้มีความปากอนนาลามกให้สมณะพ า, ามเหล่านั้นกําลังรู้กําลังเห็นกําลังได้ยินเทวดาเหล่านั้นกําลังรู้กําลังเห็นกําลังได้ยินเราควรจะอับอายสมณะพ า, ามเหล่านั้นเทวดาเหล่านั้นจะดูถูกแกติเตียนเรา มมครับบุรุษนี้ออกบวทแล้วจากเรือนโกนพร้อมกนหนวดนอ ง, งมผ้ากาสาวาพัฒน์เป็นที่กาบไหวของประชาจนยังคิดสกปรกเลอเธอยังกระทําแบบชาวบ้านอยู่นาไหวล้างลอข้างหน้ากระหรอกข้างหลังกระแตอยู่ท่าชะไหนสียเราอย่าให้สมณะพามณ์เหล่านั้นตาหนิติเตียนเราเลยอย่ากให้เทวดาเหล่านั้นติเตียนเราเลยแล้วเราจะรีบขวานขวายรีบประพฤติทำที่ยังไม่บรรลุให้บรรลุ รีประพฤติให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงให้เห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งเธอเว้นจากอากุศลกรรมเธอเจริญกุศลกรรมเธอเว้นสีจากกรรมอันเป็นโทษเธอ เ, ธอเ จ, อเจเริญเธอประพฤติปฏิบัติแต่กรรมอันไม่มีโทษสุดทางอัตตานังบริหารันตุอะยังโลกาที่ปไตใจอย่างติบุตรจติเธอย่อมบริหารตนไปสู่ความบริสุทธิ์นี่แหลคือการถือโลกเป็นใหญ่เห็นไหม คำว่าถือโลกเป็นยังไงไม่ว่าเอาตามโลกนะไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าโลกเขาทาอย่างไรโลกเขาคล้ายเสียงโลกเขาคล้ายสิทธ์โลกเขาเอารัดเอาเปรียบกดขี่ความเพ่งเราก็ต้องเอาเราจะมามวลสื่อสัต์ต่อสิ้นต่อทอยู่บันเมืองเป็นอย่างนี้ไม่ทันเขาเราตายในเนี่ยทํามวลอยู่ในสิ้นในธรรมเพราะฉะนั้นเข้าเมืองตาเหลี่ยวก็เหลี่ยวตาตามนั้นไม่ใช่พาสิทของพระพุทธเจ้านะพาลบโลกในที่นี้หมายถึงว่าโลก คือบุคคลอื่นเทวดาฟ้าดินทั้งหลายหรือว่าผู้คนที่มีลิบมีเด็กท่านกําลังรู้กําลังเห็นเราโยอ้ายเนี่ยก็ทั้งความคิดอย่าว่าดจาการพูดการทําแม้เพียงแต่จะคิดชั่วอกูซนเนี่ยมันก็ทําให้เราอับอายถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่ามีผู้รู้ใจเราโยเขออภายัยครูบาอาจารย์บางท่านท่านสามารถรู้จักจิตใจของเราสมมุติว่าเราเป็นเศษของท่าน นัางรู้ด้วยกันเนี่ย ب. เราคิดในเรื่องการเรื่องกามวิตกเรื่องพยาบาทวิตกคิดไปในทางเกียรดชังในทางรักในทางเบียดเบียนคิดคุณคิดอยู่ถ้าเรามีโลกาที่ปไตยในใจปราลบว่อท่านอาจจะรู้สิ่งที่เราคิดหรือเทวดาทั้งหลายอาจจะรู้เราน่าอับอายเอามือลวบหัวถ้าเป็นพระหัวล้นลอยอย่างเงี่ยพ่านเรื่องๆเนี้ยทำไมได้คิดอย่างชาวบ้านอย่างนั้นมันไม่ใช่วิสัยของเราเลย น่าอับอายถ้าท่านเหล่านั้นรู้หรือบางทีท่านรู้จริงๆท่านทักขึ้นมาว่าคุณปรุงอะไรคนทําไมปุงนักอย่างนี้มันน่าอับอายแต่ท่านไม่ได้ให้เราอายดอกท่านรู้ว่าหมดแล้วเราจะอายหรือไม่อายแต่นี่เราเกิดมีความรู้สึกอย่างนี้นเราอย่าไปคิดอะไรเมื่อไม่เช่ดยิ่งมีสติเพราะเห้ น, นั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงบอกว่าผู้มีตนเป็นใหญ่พึงใช้สติให้มาก ปกเกย์ตนเองอยู่ตลอดว่าเรามีความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายครอบงำอยู่เราจะต้องรีบออกจากทุกข์ให้ได้ด้วยการปฏิบัติผู้รี่โลกเป็นใหญ่พึ่งมีปัญญาของตอนรู้พินิจต้องคิดให้ละเอียดว่าอย่าคิดตื้นตื้นคิดสั้นๆว่าไม่มีใครรู้หรอกเรื่องของจิตใจพระพุทธเจ้าท่านพูดไว้อย่างนี้นะมิเชื่อลองไปเปิดพระไตรปิฎกติกานิบาอังคุตไ น, นกายเล่มที่จีสิบข้อที่สี่ร้อยเจ็สิบเก้านาที่หนึ่งร้อยแปดสิก ถ <c oughs> ้าผู้หญิงเนี่ยว่ามีผู้รู้ผู้เห็นใจิตใจของเราสมณะาพามผู้มีฤทธิ์มีเดชมีอยู่ในโลกเนี่ยหรือเอวดาผู้มีฤทธิ์มีเดกชก็มีอยู่อย่างนี้ถ้าเราปาลบถึงคนอื่นคอยที่จะรู้จะเห็นความชั่วของเราแม้สิ่งที่เราคิดใน ใ, นใจอย่างนี้เราก็จะได้ระมัดระวังเราก็จะได้คิดแต่ในสิ่งที่ดีพูดแต่ในสิ่งที่ดีทําแต่ในสิ่งที่ดี ในที่สุดตัวเราก็บริสุทธิ์หมายความว่าอาศัสายสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นจุดเน้นเป็นเครื่องเราใจให้เราอายชั่วกลัวบาปกระทำสิ่งที่ดีที่งามอย่างนี้แหละที่เรียกว่าโลกาทิปปไตที่นี่ทำมมทิปปไตยเป็นฉนไหนภิกษุในธรรมวินัยนี่เธอออกบนแล้วด้วยศรัทธา พอเห็นว่าชาติฉลาโมละนะโซกับปริเทวะความทุกข์ทั้งปวงขอบงําจิตใจเธอชีวิตของเธอเธอมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้บวชเพราะขาดแขนเครื่องหนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอาหารการกินเราอยู่บ้านแล้วก็มีโยมเงมงเงินดําเงิน เ, นเดือนกินแพงๆที่มาบวชต้องมากินข่าวเวลาเดียวชั้นในภาชั น, นอันเดียวข้อไพชัยยังอาตมาที่พูดอยู่ในนี่แหละไม่ใช่ขาดแขนสิ่งเหล่านี้ เป็นคาราว่าทางานได้เงินเดือนสองหมื่นสามหมื่นนั่งรถเก๋งติดแอร์ปรับอากาศเข็นหนังสือสั่งงานรีเวดรีพอร์ตอะไรต่างๆนั่งรถเก๋งติดแอร์สใายที่ออกมาบวชนี้ไม่ได้บวชเพราะขาดแคลนสิ่งเหล่านั้นแต่ออกมาบวชเพราะรู้ว่าชีวิตนี้มีปัญหาคือความทุกความเกิดความแก่ความเจ็บความตายได้มาดีใจเส้อไปโศกเศร้าเดียเด๋ยวมีลูกเดี๋ยวมีเมียลกูกตายเสียผัวเมียตายจากพระภาคจากกัน ในโลกนี้ไม่มีอะไรตามใจเราจะดิ้นรนยื้อยังสแสวงหาควายคว้าอยากได้อ ย, ยากมีอยางเป็นแค่ไหนมีสมบัติปวดทั้งแผ่นดินเป็นพระเจ้าจากัจากรพรรดิเราจะต้องถอดทิ้งจากสิ่งเหล่านั้นเราจะต้องปตายจากสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นต้องพินาดด้อยยับจากเราอีกเหมือนกันคิดถึงแก่นสารสาระแห่งชีวิตมันไม่มีมันก็เห็นวิธีเดียวก็คือบวชไงบวชมาแล้วไม่ใช่ว่าอยู่อย่างสบายแบบชาวบ้านต่อมาฉันข่าวเวลาเดียวในภาชนะอันเดียวตื่นมาตีหนึ่งตีสองภาภเนนอบรมสมาธิภาวนา นอกจาก น, นก็เที่ยวจากริกรอนแรมไปอ้อพรมหาชนทั้งหลายยังพระหุชนให้ตั้งอยู่ในอริยะญาณธรรมตามพระธรรมคำสังสอนของพระศาสดาท้อนพระหุชนออกจากอสัตถมิจฉาทิฐิเพื่อให้คนทั้งหลายเหล่านั้นได้รับประโยชน์จากพระศาสนาจากเส้นจากธรรมเท่าที่เรารู้เราเห็นตามกําลังสติปัญญาของเราอย่างประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายถึงพร้อมเลยความไม่ประมาทเท่าที่กําลังสติปัญญาเรามีอย่างนี้ ไม่ได้บวชมาเพราะขาดแคลนสิเหล่านั้นทำมาที่ปะตตยก็แปลกเที่ยวกันมองเห็นความถูกต้องชอบทำอย่างนี้ไม่ได้บวชเพราะขาดแคลนจีบวมบิณฑบาตไซนาสนญยารักษาโลกเครื่องลงหมอาศัยสังดูข้องกินเราบวชมาเพราะมีปัญหาแห่งชีวิตอย่างนี้เมื่อเราบวชแล้ว เราก็มาระลึกถึงธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนสบาคาโตประวาตาิธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดไว้ดีแล้วสันทิติโกผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองไม่ใช่ไม่เห็นเมื่อศึกษาไปเมื่อปฏิบัติไปจะต้องเห็นได้ด้วยตนเองแน่นอนอาการลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาสมัยพุทธเจ้ายังมีอยู่หรือเวลานี่พระพุทธเจ้าตายไปแล้วก็เป็นอาการลิโก ถ้าปฏิบัติตามท่านต้องเห็นแน่ๆไม่หมดหมือไม่ไมว่าพระอริยเจ้าหมดแล้วพระอรหันต์หมดแล้วหมดทุกหมดต่อไม่แล้วโว้ยเห็ุไปกับบุญมีประโยชน์อีกอย่งดองหนังรับหูลับตานันคนไม่มีธรรมมาที่ปไตตัยมันก็พูดอย่างนั้นแต่คนที่ปีธรรมมาที่ปไตยในใจต้องเชื่อทำที่ปุถิตจาวะอากาลิโกปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จากัดการนิทันเต นิพุเตจาปิสเมจิตตังสัมังพาลังแม่เราตถาคตจำมีพระชนมายุอยู่หรือปรัจจพบานไปนานแล้วก็ตามตาปู่ใดต่างจิตต่างใจประพฤติปฏิบัติตามสัมมังพลังย่อมได้ผลเสมอกันเป็นอาการลีโกอย่างนี้เอหิปติโกควรเรียกให้ผู้อื่นเข้ามาดูทา้าทายอยู่ตลอดว่ามาดูสิมาปฏิบัติดูสินี่พระพุเจ้าท่านบอกมาอย่างนี้อริยเจ้าท่านบอกมาอย่างนี้ในสวาสดธรรม หลังจากนั้นเขาบอกโอปัญญาจีโก้ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวใส่จิตใส่ใจน้อมอะไรน้อมทำมาหาเราหรือน้อมใจเราเข้าไปหาทำไปประพฤติทำคิดเฉยๆอ่านเฉยๆแล้วไม่น้อมใจเข้าไปมันจะไปรู้เรื่องอะไ ร, มะไรเมื่ อ, อน้อมเข้าไปแล้วมันก็ถึงการปฏิบัติหลังจากนั้นท่านบอกว่าเมื่อเราน้อมใจเข้าไปสู่ธรรมแล้วปฏิบัติทำให้มันเป็นสันธีติโกอาการเลยโ ก, โกมันก็ลงท้ายปัจจตังเวทิตพโววินยูหิอันวินยูชนจะเพึงรู้ได้เฉวพาะตัว คือรู้แล้วมันบอกกันไม่ได้ในเรื่องที่ลึกซึ่งไม่จะจะรู้ได้ด้วยคําพูดตายแล้วเกิดเื่อใหม่นะลกมีหรือไม่สวรรค์มีหรือไม่มันจะจูงมือกันไปดูได้อย่างไงเพราะสิ่งเหล่านั้นมันจะสิ่งที่จะต้องเห็นด้วยตาสิ่งเหล่านั้นมันจะสิ่งที่จะต้องรู้ด้วยการฟังด้วยหูสิ่งที่จะเห็นด้วยตาเอาหูไปฟังร้อยหูมันไม่เห็นสิ่งที่จะได้ยินด้วยหูเอาตาไปดูอีกพันตามก็ไม่เห็นสิ่งที่จะเห็นด้วยใจจะเอาตาเอาหูจะมองเอาลิ้นเอากายอะไรไปดูมันไม่เห็น มันจะเห็นด้วยใจสัมผัสด้วยใจคือหลักธรรมที่เป็นปัจจตังเวทิตะภพมเมื่อเข้าใจสวาขาตธรรมนี้ก็สมควรประพฤติทำให้สมควรแก่ธรรมดังที่พระพุทธเจ้าได้สอนไม่ย่อท้อไม่อ่อนบอนไม่รอคอยสิ่งใดไม่ได้นบหาขอ ปิปัตนาญาณจงบังเกิดมีในคันธะสันดานของข้าพเจ้าครับท่านเจ้าจะตั้งสติไว้ในลมหายใจเข่าหายใจออกสิบพันร้อยพันร้อยพันพันโอกาสะโอกาสะนะโอกาณีขอให้พระอุปัชฌะสมาธิคดิกะสมาธิปัญนาสมาธิจงบังเกิดมีในคันธะสันดานของข้าพเจ้าโดยเทินไม่ว่าหัวมันเลยเพราะธรรมะนั้มันเป็นอกาเลโกมันเป็น สันติโกไม่จากัดการผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติเห็นได้ไม่จะไปอ่อนบอนเอื่นหาเอาถ้าอ่อนบอนได้ผู้ใดก็อ่อนบอนเป็นต่าเพราะเหตุนั้นนี่เลยที่พระพุทยญาวาสุดทั้งอัตนั่งเมื่อเข้าใจหลักคำอันนี้ย่ม่มนำตนปริหารตุนำตนไปสู่ความบริสุทธิ์กุศลังปะัะจกุศลังพาเบติอากุศลังประชาาักิอานสาวัดชังปะาาัะจักิ อาาวัชังภาเวติเธอย่อมเจริญทำที่เป็นกุศลเธอย่อมละทำที่เป็นอกุศลเธอย่อมละทำที่เป็นโทษเธอย่อมเจริญทำที่ไม่เป็นโทษสดทางอัตตนังปริหารันตุย่อมนำตนไปสู่ความบริสุทธิ์แห่งชีวิตอะยังทำมาที่ปไตยังเทบุจตินี้แหละคือทำมาที่ปไตยเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นเทวุริกาจึงบอกว่า ผู้ที่ถือตนเป็นใหญ่อัตตาธิปไตยพึงใช้สติให้มากผู้ที่ถือโลกาธิปไตยพึงมีปัญญาของตนหลาลึกอยู่ตลอดว่ารอบด้านของเราเนี่ยไม่ใช่มีจะเล่าคนรู้ยิ่งกว่าเราคนเหนือคนยังมีเขารู้เขาเห็นเราอยู่เทวดาฟ้าที่เห็นเรามีอยู่ผู้ที่เป็นธรร ม, มาที่ปไตยผูป้ปรัธรรมพึงประพฤติให้ถูกตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรอย่างสวากขาตธรรมดังกล่าวแล้วไม่ต้องมา ที่ว่ามันหมดสมัยพระพฤทธเวลาใดมันตายทั้งนั้นนะทำให้มันถึงที่สุดอย่าทําเล่นล็อกล็อกเลกๆคิดถึงพระพุทธเจ้าท่านเจริญสร้างบุญญาบาัลลีเสีสยสงไข่เสนกําเเฮาน่ะพอแอะเงี้ยนั่งสมาธิห้านาทีสิบนา ท, นทีอยากจะให้มันถึงนิพพานเป็นพระอรหันต์สองสามวันเอาเดือนสองเดือนสองสามปีแล้วไม่ได้พ้นอยู่บอกว่าเรานี้ไหม่มีบุญหมดยุคหมดสมัยของพระอรหันต์พระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้ประโยชน์รอกทำไปก็ตายเปล่า พระพุทธเจ้าว่าอรหันต่างหลายท่านบำเพ็ญบรารมีทำมากียริชาติจจกศาสแจศเสนแล้วเฮาพอแอะเงี้ยเนี่ยพ ร, ระว้าบอถึงพราะว่ามืดแล้วสมัยบัด พ, พิบัติเนี่ยอไรมันยังเข้าไม่ถึงยังไม่ประพฤติปฏิบัติขออาไปแค่วิเวกพอดมาเนี้ออยกำลังเยรุแรงก็งบอถึงเรื่องเป็นเรื่องทําคืออยากจะชักชวนที่น้องตัางหลายเนี่ยประพฤติทำกันโดยเฉพาะเระื่องสมาธิภาวนาเนั้นทํากันจริงจริงังไม่ดีให้มันตายไปเลยไม่ตายให้มันดี กามังตะโจจะอัติจะน่ห้ารู จ, จะอวิสสตุด้วยการอธิหฐานจิตว่าแม้เนื้อหนังเอ็นกระดูกเท่านั้นจกเหลืออยู่สรีระอุปสุสตุมังสะโลหิตังเลือดและเนื้อในร่างกายนี้ในสรีระนี้จะเทือดแห้งไปก็ตามทียันตังปุริสท่าเมนะปุริสะวิลเยนะปุริสะพละกามเยนะปะตะพัง ประโยชน์อันใดอันบุคคลจะพึงลุถึงได้ด้วยกําลังด้วยความเพียรด้วยความบากบันถ้าหากยังไม่ถึงประโยชน์อันนั้นจะพึงหยุดการกระทําความเพียรของบุรุษเสียเป็นไม่มีนี่ขอผู้ใจเจ้ า, ท, าท่านอธิษฐานอย่างนี้เมื่อท่านจะตัดสลูไ ต, ต้ต้นโพนั้นท่านเอาหญ้าไปปูที่นั่งแล้วท่านก็ น, นั่งอธิษฐานใจอย่างนี้ขอภัยไม่ผู้ภาษาบาลีผู้ภาษาบาลเราท่านบอกว่านั่งปัป๊บมันอธิษฐานใจพราว่าแม้เนื้อหนังเอ็นกระดูก เท่านั้นจกเหลืออยู่เลือดและเนื้อในสรีละนี้จะเกอดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์อันใดอันบุคคลจะพึงรู้ถึงได้ด้วยกําลังด้วยความเพียนด้วยความบากบันของบุรุษเมื่อใดเรายังไม่ถึงประโยชน์อันนั้นเราจะหยุดความภาคเพียนของบุรุษเสียเป็นไม่มีไม่ดีให้มันตายไม่ตายให้มันดีทําไมดีตายไปเลยกระดูกเน่าผุอยู่ใ น, นโคนโพนี่เลือดกระดูกแกแ่แฝกตายเนา่าอยู่ในสร้างหัวมัน เราทําอย่างนั้นกันป้างหรือไม่ทำสมาธิภาวนาคราวเดียวอยากเป็นพระอรหันต์อยากมีหูทิพตาทิพย์เมื่อมันไม่มีก็บอกว่ามดสมัยพระอาลยเจ้าพระอรหันต์แล้วเฮ็ดไปกับตายทิมซื้อหนังหลับหูหลับตาเป็นไปบไดายเฮาในบ่มีบุญมีวาตนาบุญไม่จะเกิดขึ้นคือเฮ็ดละโงกง่ายผลว่ากันบ่เฮ็ดเอาอ้าเป็นนว่าในล่วงเลยมาแล้วนะคุณปุรหลคุณคุณธรรมมาทิปไตยคืออะไรก็คือความ ถือเอาความถูกต้องดีงามนั่นเป็นหลักใจ่ไม่ใช่ถือเอาความถูกใหเอาความถูกต้องเป็นใหญ่อะไรคือธรรมมาที่ปไตยทีนีน้ก็คือการปฏิบัติตนเพื่อจะละความชั่วจเจริญความดีละสิ่งที่มีโทษเจริญอบรมเอาสิ่งที่ไม่มีโทษให้เกิดขึ้นในสิ่งที่มันเป็นธรรมเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านรู้สึกว่า กลัวพวกเราจะสับสนท่านพูดว่าละความชั่วจเจริญได้ความดีแต่ท่านกลัวพวกเรายังไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักดีเข้าไปเองว่าอะไรแล้วมันเป็นของดีอีหย่างเงินมันเป็นความส่วนบางคนกินเหล่าเมายามวนเสิร์มูขี่เหล่าเขาก็ว่าดีเอาเงินไปจ่างสื่อซิ้ขายเสีออยงพวกที่เอาเงินไปจ่างเขาว่าบักนั้นมันดีทางการไปยังสืวา่ามันบดีเขาก็ว่าดีว่าได้เงนินแล้นมันจริงสิเพราะนั้นดีและชั่วเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัด ท่านก็นเลยเน้นตอกย้ําลงมาเอกว่าสาวัชชาปชาหะติอนวัวชาภาเวติเธอย่อมละเสียซึ่งทําอันเป็นโทษจเจริญทําอันไม่เป็นโทษหมายา็ว่าอะไรที่มันจะทําให้เกิดโทษโทษแกตนเองแกสังคมแกบ้านแกเมืองอันนั้นไม่ดี น, นี่อย่างการซื้อเสียงขายสิทธิ์เนี่ยเราได้เงินแต่มันเป็นโทษ เป็นทษแก่บ้านแก่เมืองแก่ประเทศชาติแก่สังคมแต่คนไม่ดีเข้ามาต่อมามันจะขายบ้านขายเมืองขายศาสนาศาสนาอื่นอย่างมาซื้อเอาศาสนาพุทธอย่างมาซื้อเอาประเทศไทยก็เอาเงินมาซื้อเอาเสียซื้อคะแนนนี่แหละพรมเงินมาสักสามสักสามหมื่นล้านบาทซื้อคนไทยได้สามสิบล้านคนหัวละหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึพันเป็นรัฐบาลเป็นอะไรตัวอะไรมดัด บอกประเทศไทยซ้ายหันขวาหันรัฐบาลถือศาสนาหนึ่งประชาชนถือศาสนาหนึ่งสุดท้ายมันก็ถึงการอาว ส, สานของประเทศชาติเท่นข้ากันเพราะเหตุนั้นเราจรึงเห็นได้ว่าทําเราใดเป็นโทษก็ละเสียเพราะโทษนั้นมันมาจากความชั่วเราจะรั่วมันชั่วหรือไม่ชั่วกว็าตามแต่ถ้ารั่วมันมีโทษชั่วแน่แ่ที่ไม่มีโทษก็ดีแน่แน่ท่านจึงบอกว่าอนาวช่าภาเวติเธอย่อมจเจริญทำที่ไม่มีโทษ ไม่ว่ากระทำแต่สิ่งจะไม่มีโทษอยากได้ยูเงินทองอย่าง ก, การซื้อเสียงขายเสร็จเฮ้ยทบจากแดดยูเสือเอาเงินมาหแต่ว่าเอาไปแล้วมันเป็นโทษนะแก่บ้านแก่เมืองไม่เจริญเท่าที่ควรเมื่อมันมีคนซื้อเสียงขายเสร็จไปมากๆมันก็เอารัดเอาเปรียบช่อรหับางล้วงคอรับชั้นเทียงกันทะเลาะกันในที่สุดทหารก็อดไม่ได้ก็ไปยึดอํานาจคืนมา เมื่อจุดอำนาจคืนมาก็มาหยุดชะงักการบริหารประเทศชาแทนที่จ ะ, จ ะ, จ ะ, จะเจริญไปตามโครงการต่างต้องหยุดพอรัฐบาลล้มละลายแตแล้วนายยกก็ไม่มีอีกแล้วรัฐมนตรีก็ไม่มีอีกแล้วกว่าที่จะมาตั้งคนใหม่อ้ามาตั้งคนใหม่เอาอำนาจคืนให้ประชาชนประชาชนก็เอาอำนาจไปขายกินตอ่อเอาไปแหลกเหลากินต่อในที่สุดก็ได้คนอย่างเราไม่ดีอีกกาลังจะพัฒนาก็มาแย่งกันกินสกปรก เ, เอาเงินมาซื้อเสียงมา ก, ก็ายืดอำนาจเองดูยังเนี่ยมันก็หนี้ไม่พ้นวงจรชนิดเนี่ยนี่แหละ จึงบอกว่าละสิ่งที่เป็นโทษจเจริญสิ่งที่ไม่เป็นโทษนี้แหละคือธรรมมาธิปไตยธรรมมาธิปไตยคืออะไรก็กล่าวมาให้ฟังแล้วคือการถือเอาความถูกต้องชอบธรรมเป็นใจอะไรคือธรรมมาที่ปไตยก็คือการปฏิบัติตามความถูกต้องชอบธรรมละความชั่วกระทําความดีละสิ่งที่มีโทษทํายังไม่รู้จกช่วยจกดีก็มองไปถึงโทษของชีวิตของสังคมของบ้านเมืองนั่นแหละคือความชั่วการได้มีโทษต่อสังคมต่อบ้านเมือง ต่อประเทศชาตินั่นแหละคือสิ่งที่ดีก็ให้รู้จักว่าดีและชั่วคือโทษและไม่มีโทษนี่เองอันนี้คือธรรมมาธิปไตยเอาละทีนี่ต่อไปอีกโอ้ยจนไม่มีเยอะเลยไม่รู้จะตอบยังไงไหวมันเยอะแยะไปหมดเลยข้อต่อไปธรรมข้อไหนที่ชี้ชัดให้เห็นว่าเป็นประชาธิปไตยที่สุดอันนี้จะรวบรับนะประชาธิปไตยที่สุดก็คือธรรมมาธีปไตยเนี่ยไม่ใช่โลกาที่ปไตยนะไม่ใช่อัตตาธิปไตย เอาอัตราที่ปไตยมาใช้ก็ได้กับธรรมมาที่ปัตยกับประชาที่ปัตยมองเห็นว่าตัวเรานี่ทําไปแล้วมันไม่ดีมันไม่ดีมันไม่ดีเราไม่ดีแน่แน่ไม่ต้องมองดูคนอื่นมองดูแต่ความไม่ดีของตนเองมองหาแต่สิ่งที่จะดีจะถูกต้องชอบทําอย่างนี้ก็ยังใช้ได้เรือมองในแง่ของสังคมโลกาที่ปไตยทาไปแล้วเนี่ยสังคมก็จะไม่ดีไม่งามผู้อื่นก็จะมารู้มาเห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามของเรา ไม่เราก็ไม่อยากรู้ไม่ไม่อยากเห็นไม่อยากรบสิ่งที่ไม่ดีไม่งามของคนเองอย่างนี้แต่ธรรมะที่ชี้ชัดใเห็นว่าเป็นประชาธิปไตยที่สดหนึ่งคือการถือธรรมเป็นใหญ่ทำไมจึงเรียกว่าถือธรรมเป็นใหญ่เพราะว่าข้อมอบประชาธิปไตยนั้นเราได้รับคํานิยามมาว่าการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนและประชาชนชนิดไหน การปกครองแน่นอนเราก็ต้องปรารถนาการปกครองที่ถูกต้องที่ดีงามนำไปสู่สันติสุขบริหารบ้านเมืองให้อยูเย็นเป็นสุขไม่มีปัญหาขี้อยาจะไปเลือกตั้งกันใหม่ใ่ยิ่งจเจริญยิ่งสงบยิ่ง่มเย็นมีสินมีธรรมมีคุณภาพมีสมรรถภาพมีประสิทธิภาพในการปกครองเท่าไหร่มันไม่หยุีดิเราต้องการบุคคลที่เป็นผู้ปกครองเราเนี่ยเป็นทั้งที่เหลี้ยงของเราเป็นทั้งที่ปรึกษาของเราเป็นทั้งเพื่อนของเราเป็นทั้งตัวแทนของเราสบายใจ เหมือนเดินไปกับเพื่อนอบอุ่นใจไปเหมือนเดินไปกับพี่เรียนแล้วก็มั่นใจอยู่ในที่ปรึกษาที่ดีที่งามจังนี้เราต้องการผู้นําแบบนี้ผู้นําแบบนี้เราจะหาได้จากไหนเราก็ต้องหาได้มาจากการเลือกตั้งที่ประกอบไปด้วยธรรมที่นี้ประชาธิปไตยคือการปกครองโดยประชาชนเป็นงานปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนอันเป็นอํานาจของประชาชน ประชาชนนั้นก็คือคนหลายๆายคนมารวมกันเป็นประชาชนเราก็เป็นคนหนึ่งคนนั่นก็คนหนึ่งคนน้ก็คนหนึ่งคนโน้นก็คนหนึ่งรวมกไเข้าเป็นประชาชนแต่ละคนละคนนั้นจะไปเลือกตั้งโดยถืออำนาจในมือมอบอำนาจโอนอำนาจให้คนใดคนหนึ่งเราทั้งหลายทุกคนจะรวมกันไปมอบอำนาจให้คนนั้นแต่เราทุกคนจะต้องเริ่มปกครองตนเองให้ได้ปกครองตนเองด้วยธรรมะที่ปไตยเอาความถูกต้องชอบธรรมเพราะเหตุนั้นคําว่า ประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนนั้นย่อมาจากตัวบุคคลไปสู่ประชาชนก็จะพูดได้ชัดเจนขึ้นมาอีกว่าคือการปกครองของตนเองโดยตนเองเพื่อตนเองโดยทำอันชอบทำหมายความว่าเราจะต้องปกครองเราให้ได้ซะก่อนปกครองอะไรปกครองใจเรา เอาอะไรมาปกครองเอาธรรมะมาปกครองใจไม่จะเอากิเลสมาปกครองใจเมื่อเรามีธรรมะมาปกครองใจเราก็เป็นธรรมมาธิปไตยเราก็มีธรรมเป็นใหญ่ธรรมคือความถูกต้องความชอบธรรมอันที่ไม่มีโทษเราก็มีจิตใจไปเลือกเอาความถูกต้องเอาคนถูกต้องเอาคนไม่มีโทษการกระทําของเราในขณะนี้ก็ไม่มีโทษต่อประเทศชาติบ้านเมืองอย่างนี้อเอาไปนั้นธรรมะข้อไหนที่ชี้ชัดเห็นว่าเป็นประชาธิปไตยที่สุด ที่คุณคูณบุญหลายถามมาธรรมะที่ชี้ชัดว่าเป็นประชาธิปไตยที่สุก็คือการปกคร อ, องของตนเองโดยตนเองเพื่อตนเองโดยทำธรรมาทิปไตยที่มีในจิตในใจของคนทุกๆคนรับผิดชอบต่อการพูดการคิดการทําของตนเองเลือกตั้งอย่างรับผิดชอบคิดไม่เอาฉันจะเอาแต่ชอบที่ทูกต้องชอบทําอย่างนี้ เป็นอันว่าสลบได้ปัญหาของคุณคูนบุญหลายมาว่าธรรมะข้อไหนที่ชี้ชัดให้เห็นเป็นประชาธิปไตยที่สุดก็คือธรรมมาที่ปไตยประชาชนจะต้องมีธรรมะในใจที่สุดจึงจะเลือกผู้แทนที่มีธรรมะที่บริสุทธิ์สุดทางอัตตาหนังปริหักรันตกสุดทางรัดทางปริหักรันตก สุดทางอาตานางปริหารันตุบริหารตนไปสู่ความบริสุทธิ์นำตนไปสู่ความบริสุทธิ์เมื่อตนเองบริสุทธิ์แล้วก็เอาความบริสุทธิ์ไปมอบให้คนที่เรารวมกันมอบให้คนนั้นจะต้องเป็นคนบริสุทธิ์แน่นอนเมื่อเขาเป็นคนบริสุทธิ์ถูกต้องได้งามแล้วเขาก็ต้องสุดทางลัดทังปริหารันตุเขาย่อมบริหารรัดบริหารแวนแควนไปสู่ความบริสุทธิ์มันก็มีเพียงเท่านี้เราเป็นว่าปัญหาของ คุณคณูบุญหลายได้จบลงไปอ่าต่มาก็ตอบยาวเหยียดด้วยความเร็วสูงทีนี้ก็มีปัญหาต่อไปจากคุณวิทยาพุทธกังอำเภอบ้านแพงนครพนมถามว่าปัญหาทุกวันนี้กําลังสับสนวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องพระสงฆ์องค์เก้ากับป่าสงวนกับรัฐบาลทําไมจึงมีปัญหาวุ่นวายกันอย่างนี้อะไรมันถูกอะไรมันต้องพระควรจะอยู่ในป่าหรืออยู่ในบ้าน พระควรจะอยู่ในป่าหรือไม่พระควรจะอยู่ในป่าสงวนหรือไม่และควรจะรงเอ่ยกันอย่างไรสาธุขออนุโมทนาในปัญหานี้ไม่ทราบว่าเวลาจะพอให้คุณยมหรือเปล่าขอตอบไว้ก่อนว่าพระควรจะอยู่ป่าหรือไม่จะเป็นปัญหาที่ถามเนี่ยควรจะถามไหมว่าพระควรจะอยู่บ้านหรือไม่ <c oughs> จริยธรรมของพระผู้บวชนั้นคาว่าบวชไปว่าออก ปับพระชังไปว่าออกออกจากบ้านออกจากเรือนไปอยู่ไหนเขาอยู่ในในวัดวัดอยู่ในอยู่ในป่านู่นตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่เราเคารพกราบไหว้พระพุทธเจ้ากุกุสันโทโกนาคนนมโนรือมาจากวิปสัสสิสิขีเวชภูรล้วนแต่ไปอยู่ในป่ากันทั้งนั้นตัสสู้กันในป่าแสดงธรรมในป่าบวชในป่าตายในป่าพระอรหันต์ทั้งหลายก็เหมือนกันอย่างนั้นพระราชาอย่างพระเจา้าปกุสศติราช จากนี้และไล่องค์ก็สละแว่นแควนออกไปบวชชีวิตยอยู่ในป่ากันเท้านั้นถ้าถามว่าพระควรจะอยู่ในป่าหรือไม่ควรจะถามคืนว่าพระควรจะอยู่บ้านหรือไม่แม้แต่ทุกวันนี้บวชป้าอุปชาก็บอกลูกมูลาเซนาสนาปะปักพัชานิสายตถเตยาวะชีวังอุสาโหกัลนีโยว่าจังสิเจ้าบวชแล้วไปอยู่น้ำเงาใหม่ในป่าเป็นวัดเดออุสาพยายามเรื่องนี้จนตลอดชีวิตไม่ได้บอกว่า นครลังวาคามังวานิคามังวา น, นัคขลังวานปปัพชานิสายตะัทะเตยาวชีวังอุสา โ, กาโหกัลลังอโยหุ่นเดอบ้านพุนเดอเมืองหุนเดอนิคมเจ้าบวชแล้วจงพยิยามไปอยู่ในบ้านในเมืองตลอดชีวิตเดอโบเห็นว่าจะเกิดออุปชา่ข้อไป เส้นว่าพระนั้นจะต้องสมควรอยู่ป่าอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าว่าเมื่อใดพระไม่พอใจอยู่ในป่าคบเสดเสรนสนะอันสงัดเมื่อนั้นคือความเสื่อมท้องสาตนาสัทธรรมะสมโงสโสดไปอ่านเบื้องโหลดเล่มที่ยี่สิบสองไล่พวกี่ขันเอามาบอกให้ฟังเวลาไม่พอพระจะต้องพิจารณาเนืองวันหนึ่งสิบประการข้อที่เก้าทิสุนักบวชต้องพิจารณาเนือว่าบัดนี้เรายินดีในที่สงัด หรือไม่ที่สนัดคือป่าดงพงไพรเดนนี้จะไล่พระออกจากป่าไปอยู่ในเมืองคอนโดมิเดียมมันก็ผิดสเปกจริยธรรมของพระเพราะฉ น, นั้นต้องถามว่าพระควรอยู่บ้านหรือไม่พระควรจะมาอยู่ป่าซะ ใ, ให้หมดศาสนาจะได้อยู่ยืนยาวกันต่อไปแต่เดนนี้มันตรงกันข้ามจะไล่พระจากป่าเข้า ว, วัดกับพอดีแล้วมดไปไวเนี่ยศาสนา <c oughs> ที่นี้พระกับป่าสงวนพระควรจะอยู่ในป่าสงวนได้หรือไม่ คำถามนี้ต้องไปถามรัฐบาลไม่ใช่มาถามอาตมาถ้าถามอาตมาก็ยังต้อ ง, ต อ, งตอบว่ารัฐบาลจะให้พระอยู่หรือไม่ในป่าสงวนถ้ารัฐบาลให้อยู่พระก็สมควรอยู่ในป่าสงวนอย่งจริงเพราะว่าสังเกตดูในสมัยพุทธเจ้าของเราวัดแรกที่เกิดขึ้นเวฬุวันคือป่าสงวนแห่งชาติชาวมคตแขวนมคธกุงราช จ, จะคือวัดแรกเกิดขึ้นในโลกที่ป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อพระพุทธญาลแสดงธรรมครั้งแรกแผ่นดินวาดวานไว้ธรรมาจะกระปรวัฒนโสตแก่ปัญจปัปปคีทั้งหเริ่มที่ป่าสังวนอิสิ ป, ปตนมิขทายวันมิขทายวันทายวันนั้นแปลว่าป่าสงวนป่าที่ทางบ้านเมืองยกให้แก่หมู่สัตว์เป็นพิเศษห้ามใครไปตัดต้นไม้ทำลายป่าค่าสัตว์ตัดชีวิตตรงนั้นจึงเรียกว่ามิกขทายวันนั่นป่าสงวน พะพุธเจ้าบรรลือศีหนาฏปกาธรรมตั้งแต่สมาลรรเกผารร ม, มาละเกสมณพามมานังสมณพารรมเทวดา ม, มารผมตั้งไหนคัดค้านไม่ได้ก็ที่ป่าสงวนแห่งนี้เด็กแขนกงร้อแห่งพระธรรมโซโลกจงยั่งยืนยาวมาจนถึงพวกเราก็ที่ป่าสงวนแห่งนี้ดังนั้นภาควรจะอยู่ป่าสงวนหรือไม่อันนี้เป็นคำถามต้องไปถามรัฐบาลพรัฐบาลจะให้อยู่หรือไม่ถ้าให้อยู่ก็สมควรอย่างยิ่งเดียวนี้ป่ามันไม่มีแล้ว นอกจากป่าสงวนแล้วป่าสงวนก็หายากเอาทุกทีควรจะต้องเปลี่ยนพระราชบัญญัติใหม่ซะและ้วป่าสงวนแห่งชาติมันไม่มีป่ามีแต่ไร่มีแต่นาคนมีแต่ตอไม้ควรจะต้องมาเปลี่ยนพระราชบัญญัตินี้ใช้คใหมาว่าที่ดินสงวนแห่งชาติอย่างที่ที่วัดอาจมาโยนี่ก็ป่าสงวนแต่มันเป็นที่ดินเป็นไร่เป็นนาเขาเลยซื้ออามอนในซื้อคืนมาไร่ละหมื่นบาทซื้อป่าสงวนคืนมาให้ใครให้รัฐบาล แล้วเอามาก็พากันโปกป่าพาเน้นปูกันไม่ได้หยุดไม่หย่ดใหม่เชิ่ลองไปดูเดี๋ยวนี้ในวัดในวา น, นกยงูงเดินกันเป็นฝูนกกาเบานกเขาอะไรไกลปา่าขันส น, นันที่ท่านฟังนี่ท่านก็ได้ยินเสียงนกเสียงกานี่คือธรรมชาติป่าดงผงไายแต่ความจริงมันไม่มีมันไม่เป็นป่าสงวนมันเป็นที่ดินสงวนแต่เรามาโปกป่ามาอะไรเข้ามารักษาป่าเข้าทีนี้พระควรจะอยู่หรือไม่ก็ต้องบอกว่ารักจะให้อยู่แล้วไม่ ถ้าหากรัดไม่ให้อยู่พระก็ไม่ควรอยู่อย่างยิ่งจะต้องรู้จักว่าจริยธรรมและบัญญัติธรรมเดียวนี้ขัดกันจริยธรรมคือตัวที่จะนําไปสู่สัจธรรมคือความจริงความถูกต้องความดีงามบริสุทธิ์อันจะเป็นผลให้พ้นจากทุกข์จะต้องมีข้อปฏิบัติเรียกว่าจริยธรรมจรยรรขอออองงพะะะต้ไปปู่่ในนนาาคบเ เ, เนะสงสสััดจริยธรรมของพระมหากษัตริย์ ของผู้ปกครองแหวนแหวนที่ถือพุทธศาสนาต้องมีคำว่าธรรมิกาละขาวรณาคุปปติให้ความอัธคาคุ้มครองอันชอบธรรมแก่เนื้อแก่นกมิกาปักษีแก่พารานิการแก่กองกำลังแก่พลานิการแก่พวกข้าราชการพวกอนุยนแก่อันโตชนแก่พระลักษมุนราชโอรสทั้งหลายสุดท้ายธรรมิกาละขาวรณาคุปปติสมณพามเนสุให้ความคุ้มครองอาัลคาชอบธรรมแก่สมณพามพ อ, อ, อยู่ในปานในเขาในแว่นแหวน ขอให้จงมาสโซแว้งๆของข้าพเจ้าที่ยังไม่มาขอให้มาที่มาแล้วจงอยู่เป็นสุขแต่บัตหนี้พระก็มาแล้วอยู่แล้วอยู่มาตั้งแต่นานหลายชั่วคนแล้วในปานในเขาเป็นจริยธรรมของพระถูกไล่ออกมาเพราะไปขัดกันกับบรญญัติธรรมคือกฎหมายกฎหมายนั้นตั้งขึ้นมาใหม่แล้วก็สามารถยกเลิกเพิกถอนได้แต่กฎหมายนั้นตั้งขึ้นมามีเจตนารมเพื่อเบอิกช่องให้แก่อาจริยธรรมได้ดำเนินได้ปฏิบัติไปอย่างคล่องตัวไมา่เว่า จริยธรรมข้อนี้จะเป็นไปเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือความดับทุกความดีความงามจริยธรรมของพระราชากระดังกล่าวและเพื่อความสุขสงบร่ามเย็นของปวงชนจึงต้องมาให้ความคุ้มครองอรารักขาอันชอบธรรมแก่หมู่เหล่าสมณะาาพราหมณ์ผู้เป็นหลักใจในการประพฤติปฏิบัติไม่จะมาไล่ท่านออกไปจริยธรรมของพระก็จะต้องไปอยู่ในป่ามันสอดคล้องกลมกลื่นกันแต่ที่มาออกบัญญัติธรรม เรื่องพระราชบัญญัติว่าโดยป่าสงวนไม่ยกเลิกแกผู้ใดพระสงฆ์เจ้าไปอยู่ไล่ออกอย่างนี้ก็ถือได้ว่าเดินไปแล้วก็ขัดขาตนเองล้มตุม่มคือออกก้อนไม้มาขัดจริยธรรมก้อนไม้นั้นเป็นบัญญัติธรรมบัญญัติธรรมนี้คือคนบัญญัติขึ้นเมื่อคนบัญญัติขึ้นเกาะยกเลิกเพิกถอนได้ทีเมื่อไม่ยกเลิกเพิกถอนไม่มีข้อยกเว้นไม่ได้พระสงฆ์เจ้าไล่แหนี้ยให้หมดตรงนี้เลยว่าล่มตึงไงทวนเลยอยู่ดีๆเดินขัดขาตนเอง นี่ลางเสื่อมเกิดขึ้นเบียดเบียนสมณะพามอย่างนี้พระพุทธเจ้าหันกลว่าแม้แต่เทวดาก็เกียรติก็ชังรัฐบาลใดก็ตามใจเธอถ้าเป็นอย่างนี้เทวดาก็เกียรติก็ชังจะต้องคุกลงโทษจากอํานาจของธรรมชาติกรรมนิยามกฎแห่งกรรมจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจริยธรรมของพระก็ต้องไปอยู่ป่าจริยธรรมของพระราชาผู้ปกครองแผ่นดินก็ให้ความคุ้มครองสนับสนุนแก่พระสงฆ์เจา้าพวกมีลัก ผู้เป็นหลักใจที่นี่บัญญัติธรรมของพระบัญญัติธรรมของพระคือพระวินยัยบัญญัติธรรมของโยงก็คือกฎหมายบัญญัติธรรมกับจริยธรรมจะต้องสอดคล้องกลมเกลื่อกันบัญญัติธรรมของพระมีตั้งไว้แล้วนะตั้งแต่สองพันห้าร้อยกว่าปีว่าภิกษุไม่มีสิทธิ์ในดินตอนตอนหยาในใน้ําในถ่าถ้าเกิดทางบ้านเมืองไม่ให้อยู่ตรงนี้ราชาราชูหนังอนุวัติตรงอนุวัตตามทางกฎหมายบ้านเมืองในสิ่งที่ควรอนุวัตนะไม่ใช่อนุวัตทุกอย่าง ไม่ใช่ว่าพระราชาสั่งอย่างไรพระต้องเอาด้วยเอาผู้ยิงมาถาวายนิมนต์ท่านเซฟพร้มให้พรหมทีพรหมจะได้บุญในชาติหน้่ผมต้องการอันนี้เป็นวิบากเป็นผลจ่างหัวเด็ดตีขาก็ไม่เอาอยาว่าแต่พระราชาหรืพระอินมาสั่งก็ทําไม่ได้เขาว่าราชูนางอนุวัตติตรงอนุวัต ต, ต, ต, ตามพระราชาตามกฎหมายบ้านเมืองที่มันเหมาะมันสมที่มันเป็นเข้ากันได้กับจริยธรรมเท่านั้นต้องเข้าใจนะเพราะนี้อันนี้จะต้องปริวัติตามเอาตามอย่างเรื่องป่าสงวนแห่งชาติเนี่พระทรงองค์กาวดื้อดึงดันไม่ได้ ถ้าบอกให้นีก็ต้องนีเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าเราไม่มีสิทธิเววันนี้ยมฮิอชูปขคะโตไม่มีวั น, นะใดๆปลาสจากรฐานะวั น, นะใดๆในสังคมเขาเลือกตั้งกำนันผู้ใช้บัตรผู้แทนราักสะดรเราไม่มีสิทธิ์ออกเสียงเมื่อเราไม่มีสิทธิออกเสียงก็แสดงว่าเราไม่มีอำนาจใดๆในการปกครองเมื่อเขาบอกให้เราหนีแล้วต้องนีอย่าว่าแต่นี้อย่าป่าสงวนเลยบอกให้นีอย่าประเทศไทย น, นี่พระก็ต้องนีนีหมดเลยไม่อยู่ อย่งอาตมามาบอกเลยนี่ปลูกต้นไม้เต็มเต็หมดซื้อที่คืนมาป่าสงวนไรล่ละเลาะไร่ละหมื่นบาทนี่เอามาคืนให้แกรัฐบาลปลูกต้นไม้ยังงามเลยถ้ามาบอกให้นี่อาตมาก็ต้อง น, นี้เสียดายก็เสียดายอยู่แต่ต้องรู้ว่าไม่ได้หาแผ่นดินมาเกิดเราบวชเป็นพระซะแล้วเววันนิยมที่อาโชปะขาต่อเราไม่มีฐานะวันนะใดๆในสังคมเลยอาศัยดินดอนตอนหยาอยู่กับพระราชาเพาเห็นนั้นมันจึงมีคําว่าวิสงขามศิบปา ไม่ว่าเคที่แยกมาเฉพาะที่พระราชาให้แก่งองสงเมื่อให้แล้วกลัวมันจะสับสนวุ่นวายกลัวจะเอาคืนก็ต้องมาทําใบสีมาแปลว่าใบเขตเขตพระทธศรีมาผู้เขตดผูเอามาห ล, าก 8, ลากั 10, ลกแปดหลักสิบหลักตรงกลางอกีกแล้วก็ 9, ก้าหลังอยู่ตรงกลางเอกอีกแปดทิศเอกใส่ข้างบนยังไม่พอฝังลงไปใต้ดินอีกเรียกว่าลูกนิมิตคือเผื่อมันหายข้างบนขุดดูในดินก็ได้พระราชาทุกองค์เกิดมาก็ไม่สามารถเอาคืน นอ ก, กเขตเขตอันนี้ก็ได้แต่สมมุติเอาในน้ําสภอนัตถิโยอัคามาสภพนัตถิโยอสีโมแม่น้ําทั้งหมดยังไม่ใช่เขตของเราสโภสโภสมุทโอะอสีโมแม่น้ําทั้งหมดหมหาสมุททั้งหมดยังเป็นเขตของเราไม่ได้เราสามารถสวดสมมุติทําชั่วข้าวธังศกรรมอะไรได้ตรงไหนก็ไดไม่ต้องสร้างโบสถ์เป็นแสนเป็นล้านสวดสมมุติขึ้นมาแล้วก็ทําสัศกรรมเสร็จก็สวดถอนไม่ได้เอาเป็นตลอดการเอาชั่วข้าวยืมใช้ชั่วข้าวแผ่นดินตัวนี้ เขาลบในสิทธิพระราชาดินดอนตอนหญยาหนามในฟืนไฟหยาเส้นเดียวพระไม่มีสิทธิถ้าบอกให้หนีอว่าจะป่ากส่งวนเลยต้องหนีแม้แต่ออกจากประเทศไทยบอกคาเดียวพระต้องหนีเรื่องราวเคยมีอย่างในปัญผชิตตะวิเหธกะชาดกลับไปเปิดดูเล่มที่ยี่สิบเจ็พระถูกไล่หนีแว่นแว่นร้างพระไปสิบสองปีเพราะพระราชาเข้าใจผิดพญาธรเขาเ้าไปล่วงล้ำกล่ำเกินราชินีฟอมตัวเป็นพระ ตอนหลังม า, าเห็นว่าเป็นพระเหลืองๆอลไออกไปที่แท้คือวิทยาทรพระราชาโปรดประกาศไล่พระออกจากแผ่นดินให้หมดนั่นพระก็ต้องหนี12ปีร้างจากพระจนเดือดร้อนเทวดาพระอินทร์ได้ปลอมตัวลงมานี่มนต์พระ ปเจกัพุทธเจ้าบินธบัตแล้วพระอินนี่เดินพนมมือน้ำหน้าถือบาทประชาชนเห็นพระอินเลื่อมสายหว้ยคนอย่างนี้ไม่เคยเห็นปา้นเทวดาท่านไปยังไงมายังไงท่านจึงมโนบมาไหว้พระเดินน้ำหน้าอย่างนี้ป่้นนี้เมืองนี้ไหม่มีพระพระอินก็บอกว่าข้าพระเจ้าคือพระอินโอ้โนี่เออพระอินแล้วท่านนบทําไมพระเอ้าอาหารจัตติลสัมปันนาจีระรัฐสมาหิเตสมาปปจิเตบันเทภัมมะจริยปรายเนยังนิมัสสันติมาตลัง ผู้ได้มีสินมีจิตใจตั้งมั่นในสมาธิผู้บวชแล้วโดยชอบนี้พมจันอยู่เบื้องอาข้าพเจ้ากล่าวข้าพเจ้าวไว้บุคคลเช่นนี้เพียงแต่ไวัยก็เป็นบุญนักนะจะกล่าวไปใหญ่ถึงการสนับสนุนข่าวน้ําโพชนะอาหารประชาชนก็เกิดความเลื่อมใสพระเจ้าเปดินก็กลับใจนิมนต์พระกลับมาสูวแว่นแควนอันนี้ก็จะเป็นทํานองเดียวกันอาจจะเป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งใหญ่คงจะเดือดร้อนเทวดาฟ้าดินพระอินทร์บนฟ้าแล้วล่ะถ้าหากมาไล่พระออกจากป่ายอยากดงนี้อาตมาคิดนะ คำถามว่าพระควรจะอยู่ป่าสงวนหรือไม่ก็สรุปได้เลยว่าควรอยู่อย่างยิ่งทารัฐบาลให้อยู่และก็ไม่ควรอยู่อย่างยิ่งทารัฐบาลไม่ให้อยู่ขอให้ประกาศบอกมาซะจริงจจ้งๆซะอาตมาก็จะได้เลิกจากป่าสงวนที่นี่กัป่าสงวนเหมือนกันและอย่าลื ม, ม 9, ว่ามีอีกเก้าพันวัดในแผ่นดินนี้ที่อยู่ในป่าสงวน สรุปได้เลยว่าปัญหานี้เกิดมาจากอะไรควรจะเป็นอย่างไรเกิดมาจากความขัดแย้งกันระหว่างจริยธรรมกับบัญญัติธรรมจริยธรรมคือการตระพืชปฏิบัติตามธรรมเพื่อไปสู่สัจธรรมจริยธรรมนั้นเป็นอย่างนี้ส่วนบัญญัติธรรมคือกฎหมายแก้ไขโดยวิธีใดก็แก้ไขบัญญัติธรรมแก้ไขกฎหมายเพราะกฎหมายบัญญัติธรรมนั้นคนตั้งขึ้นมายกเลิกเพิกถอนได้เมื่อตั้งได้ก็ยกเลิกเพิกถอนเมื่อตั้งมาแล้ว